ของท่านอาจารย์มหาบัวยานัมปนโนแสดงที่วัดป่าบ้านตาาจัจงหวัดอุดรธานีแก่คณะคุณหมออวยเกตุสิงเมื่อคืนวันที่17เมษายน2509 ต้องเจ็บรักษาไวุ้นกว่าจะมี่วามเป็นสิ่งควร ก, รจก็จะเพื่อประโยช น, น์งนนดับต่อไปการทำงานการเจ็บรักษามึงเป็นของมีคุณค่าเท่ากันและการจับต่าข้อต้องลับการมีใัยโดยถูกต้องผึงแค่ก่อนไม่ได้จเจียบ สุ่มสี hmm. okay. yes. ่ส yes. yes. ุ่มห้าเห็นมากโดยเห็นว่าสมบัติของตนมึงแล้วก็จากไปซึ่งตรงกับว่าการทำงานเห็นเป็นของมีคุณค่าแต่การจากไปเห็นเป็นของไม่สำคัญคุยคิดเช่นนั้นแสดงว่าคิดเห็นแต่ทางหน้าแต่ทางเสียไม่คิด ให้ยับยอกเสมอคับเมื่อเป็นเ่นั้นแม่จะได้สมบัติมามากเท่าไรก็พร้อมที่จะหมดเปลืองไปจนไม่มีอะไรเหลือผู้ที่จะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ต้องเห็นความสำคัญในการงานและความสำคัญในการติดรักษาหล ทางหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันผู้จะต้องสร้างความเจริญรุ่งเรืองภายในใจของตนต้องเป็นผู้เห็นงานที่จะเป็นไปเพื่อความ เ, เใจริญเสริตใจว่าเป็นของสำคัญจึงได้ที่ปรากฏขึ้นภายในใจซึ่งเห็นว่าเป็นความสุขและเป็นผลเกิดขึ้นจาก งานที่ตนทำด้วยความชอบทำนั้นแล้วต้องทือเป็นของมีคุณค่าที่จะต้องระมัด ร, ระวังรักษาเช่นเดียวกับการบาเพ็ญเพื่อผลในบนทึกวันนี้ได้ประกอบคมเพียนเป็ น, นเวลาเท่านั้นผลปรากฏเป็นอย่างไรบ้างต้องทราบกันไปทุกระยะ และอยู่สถานที่นี้ทำความเพียรสะดวกอย่างไรบ้างไปสถานที่นั้นการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรผลอันที่อันจะอันจะปรากฏขึ้นหรือผลอันปรากฏขึ้นจากสถานที่ทั้งสองแห่ง น, นี้มีต่างกันอย่างไรบ้างเราต้องทดสอบตัวของเราเสมอประกอบการงาน ภายนอกหรือติดต่อกับประชาชนจะติดต่อด้วยเรื่องใดๆก็าตามการประกอบความเพียนของเราในวันนั้นสะดวกเหนือนอย่างวันที่เคยเป็นมาหรือไม่หรือมีความขัดข้องเราต้องทราบกิตตามปกติที่เราเคยทราบภายในตัวเองอยู่ เป็นจิตที่มีความสงบเย็นสมายเพราะไม่มีสิ่งมาข้อควรให้จิตนั้นได้รับความเข้าทำเพราะอานาจแห่งความเพียรคุมตัวอยู่เสมอเราก็ทราบไว้เมื่อมีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องเกี่ยวข้องนอกไปจากความเพียรจิตเป็นเรื่องเฉพาะตนเราต้องสังเกต ในเวลาที่มีความจำเป็นอยู่นั้นด้วยหลังจากนั้นเราก็ต้องทําความสังเกตการประกอบความเีย็นของเราว่ามีความสะดวกแค่ไหนใจพวกเราซึ่งมีความเคยมีความสงบเย็นสบายเป็นอย่างไรบ้างนี่เราต้องสั ง, กงเกตสมบัติชื่อว่าเป็นผู้รักษาสมบัติดังกล่าว ความเจริญของกิจก็จะสั่งสมตนเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่ได้ทำโดยความสม่ำเสมอการาระมัดระวังเรื่องใจของตนเองก็ต้องถือเป็นหลักสำคัญไม่เช่นนั้นกิจจะค่อยเสื่อมลงไปวันเล็กวันน้อย เพรขาดความเพียรเป็นเครื่องห น, นีและ ม, ม, มีสีมาค่อยรบกวนเชื้อเรกระน้อยจนกลายเป็นจิตคือเสื่อมลงไปเป็ น, นำลำดับนี่ข้อาะขาดความสังเกตต้องเป็นอย่างนี้จิตคือจะมีความเจริญก็ต้องมีเครหนุนให้เจริญเครื่องหนุนมีความสม่มําเสมอและเร่งรัดเข้าไปเป็ น, นลําดับเรื่องใจก็จะก้าวเข้าสู่ความเจริญคือความสงบก็จะค่อยเปลี่ยนตัวเองขึ้น สู่ความสงบปานละเอียดไปเป็นลำหนับเมื่อขาดความเพียรและมีสิ่งมาเกี่ยวข้องเื่อย่ยยวนบ่อยๆใจที่เคยเป็นปกติคืนเคยมีความสงบเยือกเย็นก็จ ะ, จะค่อยๆเสื่อมไปบรรเละบร น, น้อยหรือครั้งละเล็กบ น, น้อยเบื้องต้นเจ้าตัวไม่สาบกว่าเมื่อจะกว่าจะทราบแล้ว รู้สึกจักคิดปกติเสียมากมามีนักปฏิบัติโดยมากเมื่อจิตมีความเจริญแล้วแต่เสือบลงไปโดยเจ้าตัวไม่รู้จักรับสารจึงยอมจะเกิดความร้อนอกร้อนใจมากยิ่งกว่าไม่เคยมีความสองบออประจําใจมาเลยเพราะฉะนั้นผู้มีจิตเส่อม จะพยายาม ท, ทําจิตของชนให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาหรือให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นจึงเป็นไปด้วยได้ดยูยากเนื่องจา ก, กจิตวิญญายเป็นสัญญาอาดีตไปเสียมากเวลาจะประกอบความเพียรก็เป็นเหตุจะให้ย้อนขึนไปถึงเรื่องอดีตว่าตนทําความเพียรอยู่สถ า, านที่นั้นในรับความร่มเย็นเป็นสุกจิตใจก็สบงบเยือกเย็น แต่เวลานี้ใจของเรามีความรุ่มร้อนอยากจะให้ใจของตนเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นแต่เพียงความอยากแต่ใจหาได้ตั้งตนอยู่ในหลักปัจจุบันซึ่งเป็นเครื่องหนุนจะให้ความสงบนั้นเกิดขึ้นได้ไหมภิกขุหาจากหลักปัจจุบันซึ่งควรจะเป็นผลขึ้นมาตามการหมายนั่งที่ไหนก็คว้าจะอารมณ์อดีตที่ผ่านไปแล้ว เข้ามาเป็นอารมณ์ของกใจมีแต่ความอยากเป็นกําลังว่าอยากให้จิตของตนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคืออย่างที่เคยเป็นมาหรือให้ยิ่งกว่านั้นแต่หลักของปัจจุบันซึ่งเป็นเครื่องรับรองความสงบที่จะให้เป็นขึ้นได้าตามใจหวังนั้นไม่ได้สนใจมีะนักปฏิบมิที่มีสิตเสื่อมลงไปแล้วพยายามกลับตึงให้กลับพืนมาได้อย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้เป็นก็เหตุนี้เ แทนนั้น่านจึงให้จังวนรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันเมื่อปรากฏสมบัติขึ้นภายในตนแล้วต้องถือเป็นความความสำคัญในรักจังวนยิ่งเช่นเดียวกับเราความเเพียงถือว่าเป็นของสำคัญเช่นั้นถ้าเราจะเห็นแต่ความเพียนเป็นของสำคัญในเบื้องต้นผลที่เกิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นของดีแต่ลืมยิดที่ดูวบายรักษาว่าไม่ทราบจะรักษาอย่างไร หือไม่ได้สนใจต่อาการรักษาจิตประเภทนั้นเลยมีแลจิตมีทางที่จะเสื่อมลงได้ก็มีเชิงเรื่องนี้ผมเองก็เคยได้เป็นมาไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะนำมาพูดให้บร น, นาท่านทั้งหลายฟังแล้วขอยกมาเรียนให้ทราบเพีเยงยอดๆพอให้พอได้เป็นทติเบื้องต้นเมื่อได้ออกมาปฏิบัติ บำเป็นจิตใจไม่นานปรากฏมีความสงบ ข, ขึ้นเป็นลำดับลำดับจิตใจก็กล้าหาญและอื่นดึงต่อความเกลยนของตนเสมอแต่เพราะทางไม่เคยเดินสมบัติที่ไม่เคยปรากฏแต่ได้มาปรากฏในเวลาทาํทาความเปลนนั้นจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าจะรักษาโดยวิธีใด เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็มีทางที่จะเสื่อมได้และบางครั้งก็มีการมีงานที่จะต้องทำโดยไม่ได้คำานึงว่าจิตของตนจะเสือ่อมไปเพราะตามปกติก็มีความสงบสมาอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนที่นี่จิตก็มาเสื่อมลงไปเสียแล้วจะบำเพ็นขึ้นมาให้เป็นอย่างเดิมนั้นในเวลาตั้งปีไม่สามารถที่จะ จเจริญขึ้นได้ยังที่เคยเป็นมาทั้งๆ ท, ที่เราพยายามอยู่เต็มกําลังความสามารถของเราแต่ความพยายามนั้นรู้สึกจะเอ็นประทางอดีตตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมากกว่าหลักปัจจุบันซึ่งควรจะเป็นความจเจริญขึ้นมานั่งที่ตรงไหนก็คิดถึงเรื่องอดีตสถานที่อยู่เวลาที่ปั๊มเป็น โดยไม่ได้คํานึง่งถึงหนักปัจจุบันว่าทําอย่างไรจริจริงจะเป็นไปเพื่อความเจริญดังที่เป็นมานั้นแล้วการที่จิตดเป็นอย่างนั้นตั้งหลักฐานอย่างไรบำเพ็ญต้นเหตุบาเพ็ญอย่างไรจึงจะสามารถยังผลให้เกิดขึ้นดังที่ปรากฏมาแล้วมีไม่ทราบว่าจะบําเพ็ญอย่างไรก็มีตั้งแต่เรื่องอารมณ์เรื่องเสียดายอยู่ที่ไหนงนั่งเสียดาก็มีแต่ปรุงมีแต่จิตแต่ อะไรกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วอยากจะมาปรากฏภายในจิตามใจหลังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับพระพุทธเจ้าท่านหลักไมแล้วว่าต้องเกิดขึ้นจากเหตุเสมอไม่ว่าทั่วหรือดีทุกหรือทุกต้องเกิดขึ้นจากเหตุอันเป็นนากฐานสําพัญของผลนั้นๆ น, นี่เราก็มีทางชาตเหมือนกันก็คนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความเดือดร้อน ข้าพนเอาที่ไม่เคยได้ออกลมภาวนาเลยนั่นก็เหมือนอย่างคนที่ไม่เคยมั่งมีสีสุจเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติย่อมไม่มีความสนใจและไม่มีความหดือดร้อนแม้ตนกระจนก็ดูตามสภาพของตนได้อย่างสบายแต่คนที่เคยมั่งคั่งสมบูรณ์มีเงินเป็นกันแสนนันล้านหรือเป็นหมืนม่นๆอย่างน้อยแต่ได้มาร่วมจมลงโดยทางในทางหนึ่งแล้ว ผู้นั่นแหละจะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมากยิ่งกว่าคนที่ไม่เคยมีเงินน้อยเงินพันเลยมีความทุกข์ร้อนยิ่งกว่าคนจนจ น, นใช่อีกเพราะเหตุใดเพราะคุณค่าความมั่งมีของตอนนั้นเคยเด่นดูกับติดกับใจตลอดเวลาแล้วมาล่มจมลงเสียด้วยเหตใจคนหนึ่งเราจะตั้งตัวได้อย่างไรมีแต่ความกระวนกระวายอยากจะให้สมบัที่ หล่มจมเสียหายพนันกลับขึ้นมาได้อย่างดั้งเดิมเท่านั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้คู่นั้นก็ย่อมมีความทุกข์ความเดือดร้อนประจำตัวถึงกับจะกินไม่ได้นอนไม่หลับต่างตัวไม่อยดีตู้กับกับคนที่เขาจนจนอยู่ตามธรรมดานั้นไม่ได้นี่ข้อนี้มีประมาณชนไหนคู่ที่ได้บำเพ็ญจนจิตมีความสงบเยือกเย็นกลายเป็นสมบัติอันมีค่า ข, ขึ้นมา ภายในใจดูที่ไหนก็มีความสมายเลือกเย็นภายใ น, ในใจิตมองเห็นจิตเป็นจิตที่อัศจรรยมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าี่จานณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นเป็นของอัศจรรย์ไปหมดแต่ไม่รู้จักพิธีที่จะรักษาจิตนั่นก็เสื่อมขอลงไปทุกวันทุกวันจนเสื่อมไปเสียหมดโดยซี่งเธอไม่มีอะไรเหลือผู้นี้แหละเป็นผู้จะรับควาำดักร้อนมากที่สุด ยิ่งกว่าคนที่ไม่เคยภาวนาซึ่งเทียบกับคนจนๆนั้นอีกอีกมากมากมเรื่องความเมสื่อมของจิตไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องจะอกอความทุกข์ความลำบากให้ไม่น้อยเลยเพราะเราเคยได้เป็นเจ้าของสมบัติประเทนั้นแล้วแต่ได้ล่มจมไปเสียโดยตนเองไม่รู้จักวิธีรักษา เพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้และปฏิบัติต่อกันโดยถูกต้องจึงควรตั้งหวนควรรักษ า, า, ย า, กษ า, าพยายามรักษาระดับความเียนของตนไว้หากจิตของเราได้เคยมีความสงบเยีอกเย็นอย่างไรเนี่ยพยายามรักษาระดับความสงบเยีอกย็นนั้นไว้อย่าให้สิ่งที่แฉลงเข้าไปกระทบกับเทือนจิตประเภทนั้นจะกำเริบขึ้นมา จะเกิดความทุกข์แก่ตนเองผู้ปฏิบัติธรรมะต้องเป็นผู้ระมัดระวังสังเกตทั้งสถานที่อยู่การไปการมาอาหารการบริโภคการคบค้าสมาคมเป็นหนักสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติศาสนาเท่านั้นคือเป็นหนักสาคัญสําหรับผู้รักษาจิตใจของตนเองไม่เพื่อให้มีความเสื่อมแสงขึ้นมาได้ต้องมีความการจมวดขวดขันเสมอมีวิธีรักษาจิต ต้องรักษาอย่างนี้ถ้ายังจะเห็นเรื่องอื่นเป็นของสำคัญยิ่งกว่าจิดตดวงนี้แล้วแน่นอนที่สุดที่จิดตดวงนี้จะต้องเสือ่ออีกประการหนึ่งเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยผ่านเพไม่รู้จักวิธีรักษาว่าจะรักษาอย่างไรเข้าใจว่าเคยสบยงบจิตนี้ก็จะสงบอยู่เรื่อยๆไปโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าความจเจริญก็เกิดขึ้นจากเหตุ ที่จะทําให้เจอแล้วความเสื่อมของจิตก็อาจจะมีเหตุที่จะทําให้เสื่อมได้นี่เราลืมทำหนึ่งถึงข้อ น, นี้จึงไม่รู้จักวิธีรักษาจิตและไม่ผลัดคือจะรักษาเข้าใจเสียว่าจิตนี่จะมีความคงตัวอยู่เช่นนี้จริงดูจิตที่ถึงขั้นคงที่นั้นจะทำอะไรให้เป็นอื่นไปก็ไม่ได้ต้องมีความคงที่เสมอคงที่มีหลายประเภทคงที่ในตามขั้นแห่งธรรม คคงที่โดยความสุดเหตุสุดปัจจัยไม่มีสิ่งใดจะเอื้อมถึงแล้วนั้นก็มธรรมะคงที่ในหลักธรรมหรือท่านของธรรมนั้นเช่นถ้าโสดาบันเมื่อท่านในสำเร็จเป็นท่านพระโสดาบันแล้วท่านจะติดของท่านมีระดับอันแน่นอนแล้วในท่านนั้น จะไม่มีการเสื่อมลงจากท่านพระโสดาบันกลายมาเป็นท่านพลุชนธรรมนาเราเองแต่การที่จะก้าวขึ้นจากขันก้นพระโสดาบันนั้นให้ถึงท่านพระพุทธคีตคาถาต้องมีความเสื่อมจเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงจเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงเพราะยังไม่เต็มที่เหมือนกันกับเด็กที่ปีนขึ้นบันไดแล้วปีนตกลงปีนตกลงตองเวลาเด็กมีกําลังก็ปีนขึ้นได้ตลอดสาย นี่ใจที่มีกำลังเพราะการบาเพ็ญอยู่เสมอกล้าขึ้สู่อันดับที่สองคือกัปภาคามิก็ต้องกล้าขึ้นได้ไม่ตกลงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อถึงขณะนั้นแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่เสื่อมจากขั้นนี้ลงไปถึงท่านพระโสดายอยีกเลอนี่เรียกว่าเป็นความแน่นอนในท่านแห่งธรรมและขั้นของจิตผู้ได้บรรลุธรรมในขนั้ น, น, น ถ้ไปถึงขั้นที่สามคือพระอนาคามีก็ต้องมีเจริญมีความเสื่อมเจริญขึ้นไปแล้วเสื่อมลงเจริญขึ้นไปแล้วเสื่อมลงเพราะเกาะยังไม่ติดเนื่องจากกําลังยังไม่พอก็องมีการเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงจนกว่ากําลังจะพอถึงเมื่อเสื่อมเมื่อใดแล้วก็เกาะกันติดตั้งในที่นั้นเป็นอนันแน่ใจทีเดียวว่านี่คือขั้นของธรรมที่ไม่เสี่อมอีกแล้วรู้ชัดในตัวเองมีเรียกว่าขั้นไม่เสือม เมื่อก้าวจากขั้นพระนาคามีขึ้นไปด้วยอาหารหันตมรรคเพื่อจะถึงพระอรหันตผลก็ต้องมีความเจริญแฝวเสื่อมลงเหมือนกันแต่ธรรมะเจริญขึ้นแฝงเสื่อมลงในงขั้นนั้นๆนั้ น, น, น, น, นมีความแตกต่างกันที่ความอยากและความนิยมขั้นพระอรหันตมรรคที่ดำเนินไปเพื่อพระอรหันตผลนั้นก็เสื่อมแต่ว่าเสื่อมอย่างขั้นพระอาหันตไม่เสื่อมเหมือนอย่างขั้นพระ พระอนาคามีพระสกิทาธรรมพระโสดาบันและบุคคลธรรมดาแต่จะจระจะปฏิเสธว่าการดําเนินพระธรรมะเพื่อพระพระรัตลนั้นไม่มีการเสริมเนยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะยังไม่ทํานาญต้องมีการปีนปีนขึ้นแล้วตกลงไปปีนขึ้นแล้วตกลงอยู่นั้นแต่ความขยันหมั่นเพียรของท่านนับตั้งแต่ท่านพระโสดาพระสกิทาพระอนาคามขึ้นไปนั้น รู้สึกจะเป็นความเพียนที่ยิ่งยวดตามขั้นแห่งธรรมและภูมิของจิตจะไม่มีความยอ่อหย่อนเม่อไม่มีความยอ่อหย่อดไม่มีความท้อถอยยิ่งขึ้นไปเป็นลําดับด้วยอํานาจของความเพียรนั้นแต่ก็พอสรุปลงได้ชัดๆว่าจะาขั้นใดก็ตามเมื่อก้าวเข้าถึงขั้นยังไม่ตายตัวย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมนาประจำธรรมะขั้นนั้นๆ จนกว่าจะถึงท่านกระหาสัลเสียเมื่อใดแล้วนั่นแหนเป็นท่านที่ตาตัวไม่ปรากฏว่าความเ่อมความเจริญนั่นปรากฏขึ้นภายในจิตที่บริสุทธิ์่วงนั้นอีกต่อไปนี่เป็นทัานเป็นธรรมท่านตายตัวเป็นจิตที่มีภูมิธรรมท่านตายตัวแล้วเป็นจิตที่ไม่กำเนิดต่อสมมติใดๆนี่คือคือขั้นของจิตที่เกี่ยวกับทำอันยอดนิย เเพงทำที่ตางตัวนน่สำหรับท่านนั้นนี่จะไปไหนก็ไปไม่มีทางที่จะเสื่อมและไม่ต้องระมัด ร, ระวังว่าจิดตดวงนี้จะเป็นอะไรเปลียงสภาพตัวเองเพราะสิ่งเกี่ยวข้องนั้นอย่างไรบ้างจะไม่ต้องสังเกตจะไม่ต้องระมัด ร, ระวังเพราะเป็นจิตที่ตายตัวอย่างเต็มที่แล้วเท่นเดียวกันกับตับร้ายมีเสือเป็นต้นแม้จะเคย เป็นสัตว์ที่ร้าย ก, กับกัตัดกับคนไม่ไว้หน้าพอตจแต่ได้ถูกทำลายให้ตายเสียแนวแ้จะมีอวัยวะครบอย่างสมบูรณ์อยู่ตามธรรมชาติของเสือข้อ่ามจะเป็นแตบเพียงอวัยวะของเสือที่ตายแล้วเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่ผู้ใดได้อีกต่อไปในเรื่องของจิต ที่ทำให้เป็นของตายตัวแล้วก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันรูปก็เป็นรูปของกายอันนี้เป็นเรือนร่างของจิตดวงตายตัวนี้เวทนาก็อยู่ในเรือนร่างอันนี้สัญญาสังขารยินญานความตรุงความคิกความจำได้หมายรู้เป็นของมีงอยู่ตามธรรมาานาของตนเช่นเดียวกับเสือที่ตายแล้วแต่อวัยวะมี ลายในตัวของเขายังมีอยู่เป็นต้นแต่ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเรื่องของรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณซึ่งเคยเป็นพิษเป็นภัยเป็นธาตุิษต่อใจตรงนี้ก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเมื่อจิตเท่าทันถึงความบริสุทธิ์แล้วจะเป็นแต่เพียงสัญญาของแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่มีอันใดเป็นพิษเป็นภัยเพราะจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวหมดความกำเนิดแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นรูปเคียงกลิ่นลดเครื่องสัมผักซึ่งเป็นของอยู่นอกๆจะไปสามารถขาดเอื้อมจิตตรงนั้นได้อย่างไรแม้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตตลอดเวลาคือรูปเวทนาสัญญาทั้งสอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะทําจิตให้เปลี่ยนไปได้แม้แต่ขนาดนี้่คือจิตที่ตายตัวเป็นยในขั้นของจิตที่จะมีความเจริญและเสื่อมลงตามขั้นของตนอยู่แล้ว ต้องมีการระมัดระวังรัาคาเม้ามาอย่างน้อยก็ราค้าไม่เป็นไปได้ามความต้องการเพราะสถานที่อยู่การบําเพ็ญไม่สะดวกสบาย้าสถานที่อยู่การบาเพ็ญไม่เป็นไปโดยสม่ําเสมอไม่ขานรักษาตอนแล้วคํามก้าวหน้าหรือความรวดเร็วก็จะต้องเป็นไปตามลําดับขั้ความเพียนที่เป็นเครื่องหน้นหลังโดยมีความสม่ำเสมออยู่เสมอเพราะฉะนั้นผู้บําเพ็ญจึงต้องรักจึงต้องสงวน ผลที่ตากดขึ้นแล้วแ้จะนิดหนึ่งก็ตางต้องถือว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นของจาเป็นเช่นแนวกับความเพยายาะได้มามากมาน้อยท้องพยามเจ็บหอมเหราไม่ได้จ่ายโดยชลุยชูลาเห็นว่าตวมีความสุขแล้วจะเป็นของไม่เสื่อมโลกนี้เป็นของไม่แน่นอนจิตซึ่งยังเป็นของไม่แน่นอนก็ที่ว่ามีโลกประจําตัวอยู่กันโลกอันนี้หมายถึงสมมงหม ตงได้มีความระมัดระวังนักษาจนกว่าจะถึงท่านตา ย, ายตัวเสียเมื่อใดเลยนั่นเป็นอันว่าเครื่องภาณนะทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจแต่กิยามายาทซึ่งเป็นตัวสมมุติเราก็ต้องทายไปอีกิบแน่อดวันอวสานแห่งับภาพอนี้จะแตกเสียงเลยการไปการมาการพูดกิยามายาททุกอย่างก็ต้องคงไว้ตามสมมุติ คือมีการระมัดระวังรักษาเหมือนกันแต่ใจจะให้ระมัดระวังรักษาอย่างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอำนาจหมดปัญหาเพราะไม่มีอะไรจะติดต่อไปนีกนั้นก็เหตุใดเพราะนั้นเป็นสมมติฐานส่วนภาคขันเหล่านี้เป็นสมมุติสมมุติมีอยู่โดยสมบูรภายนอกสมมติภายในต้องปฏิบัติกันโดยสมบูรณไม่เช่นนั้นจะเป็นเรื่องขัดแย้งกัน ที่รู้จักสมมุติแล้วจะปฏิบตัติต่อสมมุติไม่ถูกต้องจะชื่อว่าเป็นผู้รู้จักทีมุต้าอย่างและจะชื่อว่าเป็นผู้รู้จักสมมุต <laughs> ิโดยรอบครอบได้อย่างไรจมีได้บบอธิบายถึงเรื่องความจริญความเสื่อมของจิตเพราะการเพราะความไม่รอบครอบของตัวเองความเจริญของจิตนี้รู้สึกว่าจเจริญไปอย่างช้าช้าแต่ความเสื่อมของจิตนี้เสื่อมได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับสมบัติของเราที่พยายามสั่งสมมาเพียงเล็กน้อยแต่ปูกไฟเผาเสียทั่วรนะยะคลิดตาเดียวเท่านั้นก็เป็นเท่าเป็นฐาไนไปได้เป็นอย่างไี้จึงควรเห็นการนะมัดระวังรักษาเป็นของที่มีคุณค่าเส ม, มอกันตับความเสียเทียนสังสมกับเพียนรักษาให้มีต้นกายเสมอกันไม่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติ จะเอาตัวไปไม่นอดเถึนกันมีในท่านหนึ่งคือท่านของท่านผู้ปฏิบัติได้ปรากฏภารกิจในใจแล้วต้องพยายามรักษาอย่งนี้ท่านกลัวไปที่เราจะไม่ปรากฏเห็นผลเรื่องความเพียนก็เป็นเรื่องสําคัญเสมอการเพียนเพื่อจะเห็นผลประโยชน์เพียนเพื่อจะเห็นความดีเกิดขึ้นจากความดีดูความเทียนนะั้นไม่ทอถอยเบื้องต้นทุกทุกคนย่อมไม่เลยหอบ สมบัติปุญญาอุปสนประจักษ์ใจขึ้นมาหอบสมาธิหอบปัญญาหอบความรู้ความฉลาดหอบความบุญโพ้นถึงนมุดมาประจำใจและสิ่งประจักษ์ใจด้วยกันแง่สิงเหล่านี้จะมีอยู่ก็ตามแต่ถูกปกคุมร อ, องออยู่ด้วยสิ่งที่เป็นภาตุติดต่อกันดันั้นการทํำคำเพียนเพื่อเป็นธรรมะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันกับขั้นผู้ดีรับผลมาแล้ว แม้ท่านผู้ได้รับผลมาแล้วก็ต้องได้รับมาจากความเพียงไม่ใช่จากทางอื่นความเพียรเท่านี้ที่จะเป็นเครื่องพยุงจิใตใจของเราให้มีความเจริญความกลา้าหาแม้จะยังไม่เจริญก็จะเจริญขึ้นมายังไม่รู้ก็จะรู้ยังไม่เห็นก็จะเห็นยังไม่ฉลาดก็จะฉลาดยังไม่ทปรงใสก็จะทปรงใสยังไม่บริสุทธิ์ก็จะเป็นไปด้วยความมรอสุเพราะอำ น, นาจแหงความเพียรเป็นฐานอันสำคัญ หรือคือรักษาจิตเป็นของที่รักษาลํา บ, บากอยู่ถ้าไม่มีความรอบคอบแน่จะเลยแล้วก็เปลือบเพิ่มแล้วพยายามจะปรับปรุงให้เจรอขึ้นอีกลํา บ, บากมากดังที่เลยเยนให้สาดแล้วเหมือนกับคนที่เคยมั่มีแต่ได้ล้มจมลงได้วยเหตุใจเหตุผลนั่นรู้สึกร้อนมากไปหมดกลางวันกลางคืนตั้งตัวไม่อยู่เลยท่านผู้ที่มีสมาธิ ว่าขั้นยาขั้นกางขันละเอียดทั้งสมาธิเพราะเป็นขั้นที่จ ะ, จะเจริญแล้วถ้าขาดปัจจัยเพื่อความจเจริญก็ต้องเสืมม่อมลงไปจะต้องเดือดร้อนเมื่อสมาธิเหล่านี้ความซึ่งเป็นสมบัติสําคัญของเราได้เสียมมอลงไปความที่จะพยายามความทิ่พยายามจะไม่ติดขเราเสืมม่อนี่เราให้ถือว่าเป็นหลักสําคัญเสียตั้งแต่บัจจุบันคือขณะที่เด้เห็นได้รู้สมบัติอันมีค่า ปรากฏขึ้นทางในใจของเราเราจะไม่เยือดร้อนเสียใจคปปิตระฏิมาตและมิตีรักษาได้เคยแสดงให้พระฟังเสมอโดยที่ได้เคยเห็นโทษมาแล้วตามที่ได้เรียนให้ทราผ่านมาสักครู่เรื่องความเสื่อมได้เคยเป็นมาจริงๆร้อนสุดดูที่ไหนไม่สมายเลย พราะเคยได้รับความสมาภายในใจมาเพื่ออันกกนาจิตสมาธิความสงบนั่งอยู่ที่ไหนก็สงบกําหนดลงไปทั่วระยะยาวทั้นั้นก็ยังถึงที่แห่งความสงบไม่มีอะไรตาละกวนเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆซึงดกงรากฏตัวอยู่อย่างเด็ดชัด ค, ความสุขความสานานบานใจความกขยิมความเพออพอใจเต็มอยู่ในนั้นหมดเป็นแก้วสารพัด น, นึกขึ้นมาแม้จะเป็นเพียงขันสมาธิกวัวตา ก็ยังเป็นของที่แปรประหลาดภายในจิตใจดว ง, งนี้ดวงใหญ่อัน น, นี้เมื่อธรรมชาตินี้ได้ถูกอะไรปกปิดเข้าไปเสียทั้งทั้งที่มีอยู่ในนั้นก็ตามเราก็เดือดร้อนต้นหาที่อยู่ไม่ได้ไปที่หนังก็ร้อนเข้าในป่า้นรบก็นอนแม่ที่สุดไปยืนนั่งอยู่บนภูเขาภาวน า, นายอยู่มันก็ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาร้อนแต่มีดีอย่างหนึ่งที่จิตไม่ท้อถอย เอาร้อนก็ร้อนไปจะเอาให้ได้เอาให้ได้ทีเดียวเกิดเกิดขึ้นที่ัหนขอเกิดขึ้นด้วยความเพียนเมื่อความเพียนมีอยู่จะก้นไปที่ไหนร้อนก็ร้อนอับคนเพียนไปอย่างนั้นจนปรากฏขึ้นมาได้จริงเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วตั้งแต่ขนาดนั่นทีเดียวจะไม่ยอมให้จิดตรงนี้เสื่อมอีกต่อไปหากว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรมาทำความเจ็บช้า น้ำใจเราถึงขนาดนี้เราจะต้องฆ่าคนได้อย่างแน่นอนแต่นี่เรามาทําตัวของเราเองให้บอกช้ำไม่ทราบจากตำแหนิกผิโทษคนไหนไปตำแหน่งผิดโทษผโทษใคนอกจากจะตําหน่งผิดโทษเราตั้งแต่บัดนี้ไปจะไม่ยอมให้จิตดสื่อมถึงไหนถึงกันจะเป็นก็เป็นตายก็ตายเพราะได้รับความลาบากเกลียดร้อนเนื่องจากจิตคิดเสื่อมมานี้เป็นเวลาปเปรตปีเต็มๆแล้วบัดนี้ได้เห็นตัวของความจเจริญได้ปรากฏขึ้นแล้ว จะไม่ให้เสื่อมต่อไปอีกถึงจะตายก็จะยอมเสียเท่าล่ะนั่นแหละเรื่องความเพียรที่จะเด่นขึ้นอย่างเป็นที่เป็นที่เพราะความเจ็บใจในตัวเองซึ่งไม่มีความสามารถจะรักษาสิ่กระดับนั้นไว้จวนตร่อยให้เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วจะทำอย่างเข้มแข็งเป็นกับตายจะมอบไว้กับความเพียรนั่นความเพียยิ่งทวี ผนก็ยื่นปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดับลำดับเอานั่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เอาตลอดลุ่งตายก็ตายไปเฉยยังจะดีกว่าที่เราทนทุกข์ทรมานเพราะจิตนี่เสื่อมไปตายก็ขอให้ตายไปเถอะเมื่อจิตใจยังมีความแมช่มข็งเบิกบานและสงอบเยืยอบเฉีอันนี้ตายก็ควรจะตายไปด้วยหน้าของความเฉยนี้แต่จะไม่ตายเพราะพามที่เสื่อมไปแห่งจิตได้รับความทุกข์ร้อนอย่างเต็มที่อย่านะ้น วิธีอุบายสอนคนเอนและทําความเจ็บใจแกจ่ตนเอนก็<ม>ทำเอาอย่าง เ, เป็มเต็มทีทางด้านศิษยก็มีความเจริญเป็นลาดับลำดับเนี้ยจะห้ากว่าสามแต่ไม่เสื่อมพิจารณาปัทละ ย, ยิ่งเห็นทักแจ้งใสเป็นลาดับๆๆลำดับค้นในทางด้านปัญญาก็เห็นทักใส่เป็นขั้นขันนีก็ยิ่งเพิ่มความ รุนแรงของจิตและเพิ่มความเพียรของจิตให้มีกําลังมากมากขึ้นเป็นลํำดับหนึ่งเมื่อนจิตได้รับการอบรมได้รับการสุกผลได้รับการบีบังคับอยู่ด้วยความเพียรเช่นนี้เรื่องของเสื่ตัญหาทึ่เคยเป็นข้าศึดมาก่อนับปันที่จะถอยทับดับตัวไปทางอื่นมีแต่เรื่องของกติเรื่องของปัญญาหมุนไปเป็นลํำดับลำดับ ที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นก็ไม่อยู่ที่อื่นยู่ที่ภายในใจนี้เองแต่ถูกธรรมชาติที่เคยเป็นชาติศึกนั้นปกปิดเอาไว้ไม่เห็นเรื่องของจริงเท่านั้นเมื่อปัญญาซึ่งเป็นของจริงเช่นเดียวกันได้ฝุดค้นหาขาลงไปความจริงก็ยิ่งเด่นขึ้นมาและละเอียดเป็นลําดับลาดับความขยิมยิ่งย่อมก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นความที่จะเอาเป็นเอาตายกับเครื่องมรรคผลมีทานคือความยิ่งสุดแท้ทุกข์ก็ยิ่งมีกําลัง นั่นไความเปลี่ยนหมุนตัวเองเรื่องของสติปัญญาเป็นเรื่องอัตโนมัติไม่ต้องบังคับต้องอยากจะยับยั้งเอาไว้ว่าจะเลยเถิดเพราะความเป็นค่าเป็นประโนี่พราะเหตุใ ด, ดจิตจึงเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติที่เป็นของคุมค่ามีกําลังมากกว่าสิ่งใดๆซึ่งเราเคยข่าวมาแล้วไม่เหมือนธรรมชาตินี้นั่นเองจึงเป็นเหตุให้จิตได้คุมเทกําลังของตัวเองแม้ชีวิตก็ไม่ยอมเสียหายจะตายในวันนี้ก็ยอมเสียที อออย่างเดียวแต่ว่าจิดจะเสื่อมไปไม่ได้หรือว่าไม่ให้ติดเสือมเท่านั้นให้ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งขึ้นสุดแห่งทุกข์เป็นที่พอใจขงตัวเองเมื่อความเพียรได้เร่งถิต ด, ด้วยอำ น, นาจของสติดปัญญาไม่หยุดยังทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปิดปังอยางมืดมิดิดก็ต่างทนดูไม่น่า แต่ตรงนั่นแต่ตรงนี้ค้นตรงนั่นขุดตรงนี้ความตรงนั่นขาดตรงนี้ออกไปเป็นลำดับหนักทางเดินก็ยิ่งกรย่างแจ้งสิ่งที่ปรากฏตัวอยู่ในระยะทางเขายิ่งเเห็นแตเป็นชัดเเห็นชัดๆแต่ปเป็นลำนับลหนักลำดับจนสามารถขุดค้นธรรมชาติที่กพาให้เกิดให้ตายมาไม่รู้สุดกับนับไม่ค้วนขึ้นหน้าอย่างเต็มกำลัง นั่นแหละเป็นจุดที่สุดแห่งความเพียรที่เพื่อเป็นเพื่อตายได้ยุติกันลงแล้วในขณะนั้นเรื่องความเสื่อมความเจริญก็ได้ยุติกันลงแล้วในขณะนั้นเรื่องความกังวลต่อความเพียรหรือความกังวลต่อตนเองว่ากลัวจะไม่หลุดไม่พน้นก็ได้ยุติกันลงในเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติอันเป็นเรื่องกังวลได้ยุติลงไปคร้อมๆกันหมดยังเหลือแต่ความหลุดพ้นปรากฏ ต, ตัวเด่นทัดเท่านั้นแหละนั่นเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติได้จิ้นจุดภาชนะในเวลานั้นเพราะ อ, อํานาจแห่งความเพียไม่ใช่เพราะ อ, อํานาจแห่งสิงในในทธิ์ใดพวงนั้นนั่นขอให้ท่านรับปฏิบัติทั้งหลายแม้จะยังไม่เป็นก็ตามเราไม่ต้องน้อยใจว่าความที่รับรู้อยู่ในเวลานี้แหละ ท่นพูดอะไรก็รู้ตามเรื่อ ง, ำงกำลังด้วยกุศลธรรมชาติที่รู้รู้นี่แหละคือธรรมชาติที่ตายตัวที่สุดแต่ถึงแก่ล้อมปกติกำลังอยู่เท่นั้นการที่ทำความเปลียนก็เพื่อจะลื้อถอนสิ่งอันนี้ไปรันละเล็กแน้อยและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพังหมดไปต่ออำนาจของความเปลียนผลที่สุดจิตหมายายทางก็คือแกงของความทุกข์ทุกจะเป็นที่สมบงังิเดียกันโด ย, ทามมายคทนั้นดังมั้นแสดงมาว่ามันต้องเกิดเสียงี่ขอที่ติดตรงโน้นเวลาเป็นคำนี้เลย